บทที่ 13. จิตใต้สำนึกสะพานเชื่อมต่อขั้นตอนที่สิบอสู่ความร่ำรวยจิตใต้สำนึกของเราประกอบไปด้วยพลังความคิดซึ่งผ่านมาทางประสาสัมผัสทั้งห้าแล้วเข้ามาสู่จิตสำนึกพลังความคิดจะถูกจัดกลุ่มและบันทึกไว้โดยจิตใต้สำนึกจะรับจัดเก็บความประทับใจและความคิดโดยไม่มีการเลือก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 คำอธิบายก็คือข้อมูลหรือไอเดียที่จิตสำนึกของเราลงลืมไปจะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในระดับของจิตใต้สำนึกเพื่อสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆและไอเดียนั้นจะถูกรับรู้ได้โดยอัจฉริยภาพแห่งการสร้างสรรค์ของเราในรูปแบบของแรงบันดาลใจที่แวบเข้ามา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 จิตใต้สำนึกของคุณจะยอมรับและเก็บสะสมไอเดียนั้นไว้ถ้าคุณปลูกฝังไอเดียนั้นมากพอจนทำให้มันเป็นไอเดียหลักในจิตใต้สำนึกแล้วละก็มันก็จะส่งผลต่อไอเดียอื่นๆและข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เมื่อคุณทำให้จิตใต้สำนึกไปในทิศทางซึ่งไม่เคยมีมาก่อนมันจะเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันและด้วยอัจฉริยภาพในการสร้างสารรค์ของคุณ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 เป็นพลังที่กระตุ้นให้เรามีการสร้างสรรหรือการแสดงออกมาการที่เรากระตือรือรน้นคือการส่งแรงกระตุ้นออกมาสู่การกระทำเมื่อคุณทำสิ่งใดด้วยความกระตือรือร้นมันจะไปเพิ่มพลังแห่งการเสนอแนะตัวเองด้วยผู้จัดการฝ่ายขายนักพูดนักการทูตนักกฎหมายครูหรือผู้บริหารซึ่งทำทุกสิ่งด้วยความกระตือรือร้น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 3. อารมณ์แห่งรัก 4. กามรมณ์ 5. อารมณ์แห่งความกระตือรือรน้น 6. อารมณ์พิสวาด 7. อารมณ์แห่งความหวังยังมีอารมณ์เชิงบวกอื่นอื่นอีกแต่ทั้ง7ประการนี้มีอำนาจมากที่สุดและเป็นอารมณ์ที่ถูกใช้ในการสร้างสารรค์มากที่สุดจงควบคุมอารมณ์ทั้งเจ็ดนี้มันจะถูกควบคุมด้วยการใช้มัน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 กลับไปเป็นคลื่นความถี่ที่ต่ำลงต่ำลงจนเท่ากับความถี่ของต้นกำเนิดเสียงทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่ลำโพงจนกลายเป็นเสียงที่เหมือนกับต้นกำเนิดจิตใต้สำนึกก็คือสื่อกลางที่จะแปลคําอธิษฐานหรือปณิธานให้อยู่ในรูปแบบที่อัจฉริยะภาพแห่งจักรวาลจะสามารถรับรู้ได้คาตอบจะย้อนกลับมาหาคุณในรูปแบบของแผนการที่ชัดเจนหรือไอเดีย ที่จะทำให้คุณบรรลุจุดประสงค์ที่คุณได้อธิษฐานขอไว้เมื่อคุณเข้าใจหลักการนี้แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมลํำพังบทสวดอธิษฐานอย่างเดียวจึงไม่สามารถทำหน้าที่สื่อสารระหว่างจิตใจมนุษย์และอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลได้เมื่อเราไม่ใส่ใจกับความยากลำบากที่มันเป็นอยู่เราก็จะไม่ท้อแท้สิ้นหวัง